ตอนแนวทางใหม่ตอบโจทย์การศึกษาวันที่1พฤษภาคม2562นะแล้วบอกจะไปเรียนข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาผู้ปกครองมาส่งอยู่ไม่กี่วันแล้วก็บอกผู้ปกครองมารับไปนะแล้วตอนนี้นั่งอยู่ที่นี่คนหนึ่งถามว่าอีกสองคนไปไหน อยู่ในห้องไม่ออกมาเนี่ยคนทุกวันนี้เป็นแบบนี้ไม่มีวินยัยไม่มีไฟไม่มีแรงบันดาลใจแล้วบ้านเมืองมันจะไปอย่างไรนะคิดจะมาอยู่ก็อยู่คิดจะออกไปก็ไปทีนี้ถามญาติเขาบอกว่ามันกลับบ้านก็ไปติดเกมนะพอมีเรื่องอะไรไม่รู้เขาก็ส่งให้มาอยู่ที่นี่ คนติดเกมนี่เหมือนคนติดยาไม่ต่างกันนะสมองมันจมอยู่ตรงนั้นแหละติดสนุกสนานทีนี้พอขาดมันเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนลงแดงเนี่ยญาติก็ถามต่อหน้าพ่อครูเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเช้านี่เหตุผลออกไปบอกไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว่าอยากออกไปแล้วแล้วมันจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไร นะพวกคูถึงว่าวิชาไหนอะไรอะไรก็ช่างเนี่ยสอนเก่งแค่ไหนก็ช่างถ้าเด็กๆไม่มีสำนึกนะไม่มีความใฝ่เรียนรู้มันก็ไม่ยอมพัฒนาตัวเองมันก็หาแต่เรื่องสนุกสนานขี้เกียจใช้สมองคิเดเตีจอะไรเนี่ยแล้วแล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไงนะพวกคูคุยกันอยู่ปรึกษากันนวาดคุยกับเนี่ยช่างหลองเมื่อกี้นี่น้องฟ้าเราก็เป็นแบบนั้น ว่ามันสาเหตุนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอาหารไหมก็ส่วนหนึ่งนะอาหารทุกวันนีน้ที่เรากินแบบอาหารจังพูดอาหารอุตสากรรมแบบนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็จบที่มันมีผลแรงมากสาหรับเด็กทุกวันนี้และผู้ใหญ่ด้วยคลื่น ทิ่งหมู่บ้านไหนมีเสาสูงๆอะไรขึ้นแ ร, แรงแรงดึงดูดส่งแล้แสเนี่ยเดี๋ยว G สาม G สี่ห้าเนี่ยนะมันกระทบระบบสมองกลายเป็นคนแบบไหนก็ไม่รู้นะชอบก็ไม่พูดไม่ชอบก็ไม่พูดก็ตอบว่าไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้คือไม่เอาก็คือขอให้ ไปก่อนไปก่อนแล้วก็เบื่ออีกก็ไม่เอาอีกนะพ่อคูณถึงว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่เราเตรียมคนเนี่ยนะต้องมีคนรับผิดชอบรู้จักหน้าที่รู้จักความอดทนโดยเฉพาะตัวสําคัญคือต้องรู้จักกระตันอยู่กตันอยู่เนี่ยทําเราขี้เกียจไม่ได้เรากรตันอยู่ผู้มีพระกุนเรากรตันอยู่ต่อพ่อแม่พ่อแม่เดือดร้อนเนี่ยเราต้องพูดตัวเองพัฒนาตัวเองเนี่ยนะเพื่อให้เรามี ส่วนเกินเพื่อจะดูแลพ่อแม่หรือสนองคุณคนที่มีพระคุณต่อเราแต่ทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้อ่อนมากแล้วก็ไปเรียนวิชาอะไรไม่รู้เลี้ยนเลี้ยนสุดท้ายก็เห็นแก่ตัวเนาะเออคิดจะเอาก็เอาคิดจะออกก็ออกคิดจะเข้าก็เข้าคิดจะทําก็ทํานี่เขากล้าคิดเนี่ยที่จะมาเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยเราแยกเนนออกไปอยู่นนมาไกลพ่อคูเนี่ยเปิดเปิดเทอมนี้พ่อคูจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะ เนาะต้องเข้าศาลาที่นี่เพราะเราศึกแล้วนะมาเรียนรู้ด้วยกันลูกก็เพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับนะอานาคตพวกเรานะพออีทึกถามมาเออพักกูเปิดปวชแล้ววางแผนเด็กยังไงไม่มีไม่รู้รู้แต่ว่าต้องเปิดนะ เขาออกมสามปุ๊บเขาอ่อนวัเขาแยกแยะถูกผิดไม่เป็นแต่เรียนมหกแล้วก็เปิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่คำตอบมีแต่ไปท่องจำวิชาการคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นทำไม่เป็นเป้าหมายกระทรวงศึกษาไม่ได้ผิดเลยสอนให้เด็กไทยคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นมันคิดไม่เป็นพูดก็ไม่เป็นพูดกับพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องทาอะไรก็ไม่เป็นอีกตั้งเป้าหมายอย่างสูตรเราอีกแบบหนึ่ง รู้แต่ว่าเปิดปว ช, ชอย่าง น, น้อยเขาได้ฝึกทักษะเขาได้ทําเออขอให้เขามือได้ทํำปุ๊บทําผิดเขาก็เขาก็ต้องหาคําตอบว่าทําผิดเพราะอะไรมีวิธีไหนที่จะให้มันดีกว่าเก่าทําให้เขาคิดเนี่ยคือระบบการสอนไม่เหมือนเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาสายปว ช, ชในกรุงเทพก็ยกพวกตีกันฆ่ากันยิ่งพวกเรียนเทคนิคอะไรนี่นอสร้างเครื่องมือสร้างปืนอะไรมายิงกันก็ไปแบบนั้นอง นะแต่ทีนี้อย่างมาพระ ก, กูก็บ ว, วกรับคุณหารเออยางในน้อยเนี่ยเด็กๆ เ, เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงนะอันนี้ดีกว่าไปท่องจำก็ก็เปิดก่อนเปิดโดยไม่ไม่รู้หลกช่วงที่เขาอยู่กับเราสามปีหนึ่งลดค่าใช้จ่ายพ่อแม่พ่อแม่ก็เดือดร้อนเป็นหนี้สินยากจนก็ต้องทามาหากินใช่นไหมแล้วบางทีต้องกู้หนี้ยืมสินให้ส่งเราเรียนนะ ก็อย่างน้อยๆเด็กอยู่ที่นี่อย่างน้อยๆเนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องเป็นภารานี่สินและโรงเรียนเราก็คุณครูผู้บริหารก็รีบพัฒนาให้มันเกิดความพร้อมมากขึ้นนะถ้าไปรอมันพร้อมก่อนก็ไม่ต้องเปิดเนี่เปิดก่อนแล้วก็ทำความพร้อมเรียนดูไปด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครั้งนีนะ้เดือนหนึ่งที่ผ่านมาพวกผู้ พ, พึงได้ข้อมูลนี้ครูคีก็ไป อบรมที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้โอกาสที่นาะยอยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยโอกาสเจอกันน้อยมา ก, พกเพราะคูออกจากบ้านแค่ ต, ตีห้านะเออกลางคืนบางทีคุณคีก็กลับไปเดือดเดือดเดินค่ำค่ำคื น, คนเพนต่ว่าถ้ามีงาน ก, นก็เดินมาปรึกษาพ่อกูถ้าไม่มีเขาก็ทําหน้าที่พ่อกูพ่อคูก็หน้าที่เยอะก็สองวันนี้มีโอกาสมาเข้าค่ายก็มีโอกาสคุยกับเขาพราะูพเพเิ่งรู้ว่าครูคีเนี่ย ไปทํา m o มกับเรียกว่า M.K. g r o ค p ุคุณคีก็รายงานว่าไปอบรมที่สกลนอคร น, นะพวกคุณว่า น, น่าสนใจนี่แหละมันก็ตรงกับคอนเซ็ปที่วิทยาลัยเราคือฆหารกรรมศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอาหาร M.K. ็เคขาก็มีตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบบอดสิบสองกิจกรรม ส่วนมากเป็นอาหารอาหารไทยก็มีนะแล้วก็อาหารญี่ปุ่นก็มียายโยอีกใช่ไหมอันนี้ก็ของเขาถ้าเราเด็กเราไปต่อยอดตรงนี้เนี่ยโอกาสก้าวหน้าเขาก็มีเยอะเออถ้าจบปวาชาเราเรื่องอาหารเพุ่บไปทํางานเซ็นท่านเขาให้ไปขายเสื้อผ้าอันนั้นไม่ต้องเรียนใครก็ขายเสื้อผ้าได้ใช่ไหม แต่ถ้าเรามีความชำนาญเราถือมีดเป็นรู้จักอันนี้เรียกว่าผักอะไรมีพื้นฐานแล้วเนี่ยเราไปต่อยอดทางด้านอาหารเรามีสิทธิ์ก้าวหน้ามากทีน่นี้เด็กๆทุกคนฟังหรอกไม่ต้องเรียนจบปวชวแล้วค่อยไปหางานทำแต่ปวชวเราปีนี้ครูขี่ต้องเอาไปฝากไปฝึกงานทีุ่บวนหนะล้านอาหารต่างๆก็ดีระดับหนึ่งนาะดีระดับหนึ่งเท่านั้นเอง เดี๋ยววันที่สิบนี้ก็ต้องกลับมาก็มาเรียนเราอีกปีหนึ่งนะอย่างน้นอยๆว่าครูคีเขาไปเรียนรู้แล้วว่าการศึกษาจริงๆคืออะไรคือภาคปฏิบัติไอเรียนวิชาการท่องจำรู้หมดเลยแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่มีจิตสานึกที่จะเสียสละไม่มีกระตันยูรู้คุณคนไม่รู้จะเรียนไปยังไงนี่เด็กๆไปทางานมาธรรมดาถึงคิวแล้วต้องกลับมาเขาขออยู่ทางานถึงวันที่สิบนะ เออเจ้าของ้านเขาก็ขอแล้วเขาก็ยินดีด้วยเพราะวันที่13เราก็เปิดเทอมนะแต่ว่าต่อจากนี้ไปใครเรียนปวชที่เราเนี่ยเรียนที่เราแค่ปีครึ่งอีกปีครึ่งต้องไปเรียนภาคปฏิบัติโดยเฉพาะเรา MOU กับ MK แล้วเราจะ MOU กับอีกหลายๆบริษัทใหญ่ๆที่มั่นคงนะแล้วอยู่ที่ว่าเด็กๆจะเลือกแบบไหนนะ อยู่กับเราปีครึ่งภาคทิเศษนะแล้วก็ต้องมาฝึกนวดแผนไทยด้วยเป็นทักษะชีวิตนะแล้วพอปีครึ่งปุ๊บเด็ ก, ดกๆมีหน้าที่เลือกว่าจะไปไหนถ้าไปในเครือข่าย m อเนี่ยก็ไปต่อยอดอาหารที่เราเรียนมาเขาให้เงินเดือนหรือเขาให้เบี้ยเลี้ยงเดี๋ยวพวกูจะเรียบเลียงให้ฟังเอา m อ็มก่อนนะเขาเรียกว่า การดำเนินโครงการเรียนคู่งานงานคู่เรียนการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกที่บริษัท MK การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพนะระดับปวชปวสศึกษาในสถานศึกษาฝึกงาน6เดือนอันนั้นไปฝึกงานแต่ถ้าเท่าข้อโปรแกรมทวิทวิภาคีเนี่ยนะปะวชเนี่ยศึกษาในสถานศึกษาเนี่ย ครึ่งหลักสูตรคือปีครึ่งฝึกอาชีพทวิภาคีครึ่งหลักสูตรคือปีครึ่งไปอยู่กับเขาเลยนะแล้วก็ระดับปวาสปป ร, ปริญญาตีเหมือนกันครึ่งหลักสูตรอยู่ที่วิทยาลัยปีหนึ่งอยู่ที่เขาปีหนึ่งนะอันนี้ระดับเรากำลังเรียนปวชยังไม่จบเนี่ยนะเราก็สามารถ ไปฝึกงานเรียนภาคปฏิบัติปีครึ่งแต่ก็มีเงินเดือนนะการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานฝึกอาชีพทวิภาคีสาขาวิชาที่เราเข้าฝึกจํานวน11สาขาวิชาแบ่งออกเป็นเขาพร้อมกดวิทยาลัยเราอีกนะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2. ส, สาขาวิชาการตลาด 3. ส, สาขาวิชาธุรกิจค้าปีก สี่สาขาวิชาการโรงแรมห้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวฝึกงานซ่อมบำรุงอันนี้เหมาะกับผู้ชายนะสาขาวิชาช่างไฟฟ้าสองสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกสฝึกงานคังสินค้าไอตัวนี้แหละยุคนี้ยอดฮิตเลยเขาเรียกว่าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกพี่โหงกับไปเรียนเรื่องนี้ทุกวันนี้เราขายขายออนไลน์นะ งานสำคัญคือโลจิสติกซื้อขายออนไลน์ปุ๊บแต่เราต้องรู้ว่าจัดส่งแบบไหนที่มันเร็วที่สุดถูกที่สุดบรรจุพันธ์แบบไหนจักมารวยเพราะตัวนี้จักมาไม่มีสินค้าตัวเองไม่แต่หนึ่งอย่างแต่เขาทำโลจิสติกนี่เป็นคนกลางตอนนี้เขารวยอันดับหนึ่งของจีนนะอันนี้เป็นวิชาใหม่แล้วถ้าเราไปตรงนี้เราได้ฝึกประสบการณ์จริงๆฝึกงานสานักงาน ส่วนใครจะชอบฝึกสำนักงานเนี่ยไอ้อันนี้ส่วนมากเหมาะกับผู้หญิงนะคืออยู่ในห้องแอร์นั่นแหละอยู่ในร้านเขาก็อยู่ในในห้างหมดนั่นแหละอยู่ในห้องแอร์นะอันนี้หนึ่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. ส, สาขาวิชาการบัญชีสาสาขาวิชาการจัดการสำนักงานเราเรียนปีครึ่งเราก็ศึกษาไปด้วยว่าเราชอบอะไร สพราะว่าเราชอบเข้าไปสมัครกับเอมเเราก็ระบุเลยว่าเราต้องการตําแหน่งไหนเขาก็ดูว่าพื้นฐานเราไปยังไงเหมาะไหมเขาก็ให้เราไปอยู่ตรงนั้นก็ให้เงินเดือนนะพวกว้วาเป็นโอกาสดีมากนะเราอย่าไปอ้างโน่นไม่มีกําลังไปเรียนไม่มีอะไรอะไรนะอ้างว่าตัวเองขี้เกียจเนาะการฝึกงานบริการสาขาวิชาที่เข้าฝึกสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาธุรกิจค้าปีกสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาการท่องเที่ยวถ้าเราไม่เอากฎหมายเรื่องทวิศึกษาเนี่ยอายุอย่างเราไปทำงานในี่ผิดกฎหมายเขาเอาช่องตรงนี้แหละทให้เราไปทำงานได้ทุกวันนี้เราไม่เวลาไปเรียนเสียเวลาสปีมหาวิทยาลัยแล้วค่อยมาออกงานทำนะถ้าออกมาหางานทำนะ เราได้ได้ทำงานเดี่ยวนี้เลยแล้วก็ฝึกของจริงนะสาขาวิชาที่เข้าฝึกการฝึกงานซ่อมบำรุงสาขาวิชาช่างไฟฟ้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ฝึกประสบการณ์ณห้องช่างและโรงงานผลิตอาหารของบริษัท M.K. เมื่อเราอยู่กับมันแล้วปุ๊บต่อไปเราจะมาทำโรงงานเราเองก็ได้นะอันนี้ดีกว่าเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย การฝึกงานคังสินค้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกเนี่ยการฝึกงานสำนักงานสาขาวิชาที่เข้าฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสานักงานสิทธิประโยชน์เด็กๆจะได้อะไรบ้างนักศึกษาจะได้สิทธิประโยชน์เสมือนพนักงานของบริษัท หนึ่งเบี้ยเลี้ยงคือเงินเดือนบางทีใหม่ๆเขาให้เป็นลายเป็นลายชั่วโมงนะลายได้พิเศษเขาเรียกว่าทิปกับติวนะติ้วนี่คือเหมือนบริษัทเราช่วยกันทำแล้วก็มันขายดีเขาก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งแบ่งให้พนักงานทุกคนตอนเรากำลังไปฝึกงานเนี่ยเราก็มีสิทธิเท่ากับพนักงานคนหนึ่งแล้วก็เงินทิปอย่างเราไปเสิร์ฟเนี่ยนะ เขาให้ทริปเขาก็เป็นกองกลางเขาก็มาแบ่งกันนะเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษนะพื้นที่พิเศษอย่างสมมติว่าเออมันต้องห่างไกลอะไรเนี่ยเขาก็ให้ให้ให้ใหไรายได้พิเศษแล้วก็ให้ทุนการศึกษานะเออให้ทุนการศึกษาถ้าเราเรียนปวสต่อเขาก็ให้ทุนการศึกษา ถ้าเราเรียนปริญญาตีต่อเขาก็ให้ทุนการศึกษาแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ค่าที่พักนะแล้วก็ค่าเดินทางจากต่างจังหวัดสมมุติว่าเขาเรียกตัวไปแล้วแล้วจะเดินทางจากวนไปถึงกรุงเทพถ้าเราคนจำนวนไม่เยอะนะเขาก็ให้เป็นรายตัวเนี่ยเดินทางไปเองถ้าคนเยอะๆปุ๊บเขาก็มีรถมารับเรานะการประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ นะเวลาเราทํางานเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเขามีประกันให้เราแล้วก็ชุดปฏิบัติงานนะฟรีอบรมเสริมทักษะไอ้ น, นี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากเรามีสิทธิ์ได้อบรมนะทุกบริษัทเนี่ยเขาต้องการให้พนักงานเขามีเขาเก่งเขามีประสิทธิภาพเราก็ได้รับการอบรมด้วยไม่ต้องไปเสียเงินเรียนไม่ต้องไปเสียเงินเข้าการอบรมอันนี้ยกตัวอย่างนะสวัสดิการที่เราได้รับมันตรงกับที่พ่อครูพูดมาแล้วว่า ความยากจนของคนชนบทเนี่ยเขารอไม่ได้อีกสี่ปีที่จะเรียนมหาวิทยาลัยอันนี้คือคำตอบเห็นไหมตอบโจทย์เลยล่ะเพราะครูว่าใช่แล้วนะเรื่องอะไรไปเรียนที่ไม่เสียเวลาไปเรียนการปฏิบัติจริงเลยเกิดทักษะชีวิตนะอันนี้สิทธิประโยชน์การเรียนเบี้ยเลี้ยงหนึ่งฝึกอาชีพท่านในกรุงเทพและพื้นที่พิเศษวันธรรมดา สี่สิบสี่บาทไม่ใช่ต่อวันนะต่อชั่วโมงนะถ้าเกิดเราทํสิบชั่วโมงก็ได้สี่ร้อยกว่าบาทนะวันเสาร์อาทิตย์ห้าสิบสองบาทต่อชั่วโมงฝึกอาชีพในต่างจังหวัดวันธรรมดา4ี่สิบาทต่อชั่วโมงวันเสาร์อาทิตย์สี่สิบห้าบาทต่อชั่วโมงวันหยุดนักขัตเลิกได้รับสองเท่านะ รายได้พิเศษทิศกับติวประมาณห0ร้อยถึง8 0ดร้อยบาทต่อเดือนอยู่ที่ว่าสาขาที่เราทำงานเนี่ยมันขายดีแค่ไหนเนาะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษค่าเดินทางจากต่างจังหวัดตามจริงตามจริงเชื่อเรานั่งรถไฟจากวนไปกรุงเทพเนี่ยนะเออ แ0ดร้อยหกร้อยมนว่าเขาบอกตามจริงแต่ไม่เกินต่อเที่ยวต่อคน 1,000 พบาทนะแล้วก็ทุนการศึกษาปวชปวสแล้วก็ปริญญาตรีนะอย่างอื่นไม่รู้หรอกเพราะครูว่าเรามีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงอันนี้มีประโยชน์แล้วก็ชุดปฏิบัติงานนักศึกษาทวิปาคีได้ชุดฟอร์มสองชุด เงินช่วยเหลือค่าที่พัก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะต่างจังหวัดเข้าฝึกในกรุงเทพประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพตัวสุขภาพประจำปีรวมได้ไดต่อเดือนประมาณ 12,000 บาทขึ้นไปการฝึกของนักเรียนนักศึกษาตามแผนฝึกอาชีพเขาเรียกว่าฝอ .1 ฝอ .2 จัดทำแผนฝึกร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ สถานประกอบการนะสมมติเวาเราไปปุ๊บเนี่ยอาชีวะของเรากับเอมเคต้องตกลงกันนะเออทำแผนเรียนร่วมกันนะแน่นอนเราเรียนของเราเนี่ยต้องได้คะแนนเท่าไหร่ไปฝึกงานกับเขาต้องได้ระดับแค่ไหนถ้าเขาไม่ออกพอเราจบปุ๊บเขาออกใบ ป, ประกาศเิบัตรให้เราในฝ่ายของเขาภาคปฏิบัติและเราออก ในฝ่ายภาคทฤษฎีวิชาการเราแล้วถ้าเราจบแล้วปุ๊บเราใบประกาศนี่ไปสมัครงานเอเคขารับร้อยเอร์ซไม่ใช่เอา99คนนะหนึ100่งรยรับหนึ่งเพราะว่าเราผ่านการฝึกมาแล้วไม่ต้องไปเดินหางานทำนะแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องไม่หยุดปุ๊บเราก็สามารถไต่เต้าไปเป็นหัวหน้างานซูเปอร์วเซอร์เป็น หัวหน้าแผานกเป็นผู้จัดการนะเป็นผู้จัดการระดับภาคอะไรเนี่ยมันสามารถไต่เต้าครูฝึกในสถานประกอบการของเขาเอ็มเคนะมีมากกว่าเจ็ดร้อยคนทีนี้เดี๋ยวศูนย์ต้องทำนะศูนย์นี้มอบให้ครูหนูหลิงครูหนูหลิงได้ยินไหมฟังครูหนูหลิงต้องฟัง ครูขีรายงานว่าถ้าเราจะทำไปสถานประกอบการเนี่ยเราต้องส่งคนไปอบรมมีใบอนุญาตแล้วก็เราสามารถฝึกเด็กได้ออกใบ ป, ประกาศให้เด็กได้นะเอาเป็นว่าต่อไปเขเียนปวชปีครึ่งปุ๊บไม่อยากไปข้างนอกมาทำงานกับบริษัทอะไรฮะดอนคอฟฟนะ นูหลิงร้านอาหารอะไรนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะแต่ต้องมาทำงานนะเป็นพนักงานจริงๆเลยแล้วก็ไปฝึกแล้วก็เราก็จบได้เหมือนกันแต่ถ้าใครทำาอ้แอแล้วเนี่ยก็ไม่ออกมาย ญ, ญาณให้ก็ไม่จบปะวะช อ, อันนี้อันนี้เป็นภาคบังคับทุกคนต้องมาฝึกงานเนี่ยครูฝึกเขาตั้งเจ0ดร้อกว่าคนเพราะเขาสาเขาเขาสาเขาก็เป็นพันพัน เพราะครูว่าเป็นโอกาสดีนะเราจะได้ไปสัมผัสความจริงก็เขามีการอบรมก่อนเริ่มฝึกงานฝึกอาชีพทวิภาคีโดยสถาบันฝึกอบรมบริษัท MK Service Training Center จำกัดเขาตั้งแผนกอบรม Training Center ขึ้นของเขาเองเพราะว่าพนักงานเขาหลายหมื่นคนและไอที่ไต่เต้าไปเขาเอาคนใหม่เขาไปเรื่อยๆนะ การดูแลนักศึกษาระหว่างฝึกงานนักศึกษาทุกคนจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดผ่านสื่อออนไลน์และติดตามนิเทศผลการฝึกปฏิบัติงานนะอันนี้องค์กรเขาใหญ่นะเขาก็เหมือนเป็นมหาวิเลยในตัวการนิเทศร่วมกันระหว่างวิทยาลายัยหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายบุคคล การให้คำปรึกษานักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์อันนี้แจ้งครูขีทราบเมื่อกี้พี่แก้วติดต่อพอ อ, อ e ีเทคแล้วเขาบอกว่าสำหรับอ e ีเทคยังไม่ได้ถ้าจะเรียนอ e ีเทคต้องไปเข้าโปรแกรมนี้ที่กรุงเทพสองปีและไม่ใช่ไปเรียนเฉยๆนะช่วงที่เราฝึกงานอยู่อีเทคต้องครูส่งครูนิเทศมาเป็นช่วงๆ ว, วันอาทิตย์ในที่ทางานเราเห็นไมเออ ก็ทางวิจัยไรเขาไม่ทิ้งจนกว่าเราฝึกงานอันนี้ระดับปวสนะปะวสแต่ปวชเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีวิจยัยเราเองนะคิดว่าปวชเราก็ทำเองได้ใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าปวสแล้วคิดว่าครูคีเนี่ยทำกับวิจยัยอาชวะอุบบนก็ได้เทคนิคอุบลนก็ได้นะก็เราก็ไม่ต้องไปที่ไหนก็ ทำงานแถวบนการมอบที่วธิบัตินะเมื่อเราอบรมแล้วปีครึ่งเขาก็มีจัดพิธีมอบทุวธิบัติแล้วก็เขารับรองเลยว่าเมื่อได้วุวธิบัติแล้วก็ทางวิทยาลัยก็ให้เราจบแล้วเนี่ยเราไปสมัครงานกับเขาเขารับหนึ่งรอคนรับหนึ่งรอคนนะอันนี้เป็นโอกาสดี อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะทีนี้มันก็มีอีกหลายบริษัทที่ทำแบบนี้กุ๊บเซ็นท่านกุ๊บนะเออเขาก็มีหลายหลายกิจกรรมทีนี้ที่น่าสนใจนะครูหนูหลิงนะเคยไปดูงานที่เชียงใหม่มาแล้วแล้วก็เคยไปกินข้าวร้านนี้มาแล้ว จำได้ไหมลานอะไรที่ทำผักเยอะๆโอ้กะจูเด็กๆฟังนะลกูกเขาเป็นสวนผักอินซีคนพี่ชื่อโอ้คนน้องชื่อจูส่วนกะนี่เป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าโอ้กะจูร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราครอบครัวโอ้กะจูเขาตั้งเป็นบริษัทปลูกผัก เพราะรักแม่จำกัดในชื่อบริษัทเขานะบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่จำกัดอยู่เชียงใหม่เพราะกูก็เคยไปกินอาหารจานขนาดนี้ผักเต็มไปหมดเลยผักอินทรีย์เพราะคำว่ารักแม่นี่แหละตอนนี้ดังไปทั่วประเทศเขาก็ไปอยู่ในโครงการนี้ตอนนี้เขาเปิดสาขาที่กรุงเทพ เขาก็รับเด็กปะวะชไปฝึกงานเหมือนกันอยู่ในสามม่วนดอนกับหนูหลิงบริษัทดอนกับหนูหลิงเพราะรักพ่อทำได้ไหมต้องเอากระตันยูนำแล้วมันจะขี้เกียจไม่ได้แล้วคนเขาจะศรัทธาเราเห็นไหมเขาเริ่มจากฟังนะลูกฟังนะ จากกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ25ปีเดินตามความฝันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและลงมือทำอย่างจริงจังขับเคลื่อนความฝันนั้นด้วยพลังทั้งหมดที่มีโดยหวังเพียงอย่างเดียวคือปลูกผักออแกนิกให้คนในครอบครัวได้ทานผักที่ปราศจากสารเคมีจนทุกวันนี้ร้านสวนผักโอ้กระจูเป็นทุ่รู้จักดีในหมู่ผู้รัก อาหารสุขภาพเราเรียนรู้และก้าวเดินเติบโตไปพร้อมความรักในสิ่งที่ทำอย่างสวนผักของเราที่ดำรงอุดมการปลูกผักออแกนิกเพื่อสุขภาพของคนที่รักในครอบครัวในบางครั้งสวนผักของเราเจอปัญหาวิกฤตมาต่างๆนาน า, นาเราก็ยังไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และจับมือกันก้าวผ่านอุปสรรคนั้นเดินต่อไปข้างหน้าด้วยอุดมการปลูกผักเพราะรักแม่ความตั้งใจของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงในทุกปีเราขยายความอร่อยของผักออร์แกนิกจากเชียงใหม่สู่แต่ละพื้นที่เราดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขที่เราส่งผ่านมื้ออาหาร เป็นสื่อกลางช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวโดยเรายึดถืออุดมการหลักคำนึงถึงพื้นดินผลิตผลระบบนิเวศครอบครัวและชุมชนอายุ25ตอนนี้ก็เป็นเศรษฐีหลาย้อยล้านนะจากปลูกผักเห็นพวกเราก็ทำได้ลูกไม่ใช่เราอยากทำเพราะร่ำรวย เราต้องทำเพื่ออนาคตของลูกหลานเราเพื่ออนาคตของชาตินะแต่เด็กๆต้องตื่นขึ้นมานะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองถึงเราจะไม่ลักตัวเองก็ช่างเราต้องลักพ่อลักแม่ลักแผ่นดินลักผู้มีพระคุณขี้เกียจต้องขยันนะเนี่ยกำลังปรึกษาอย่าเราหาทางสายกลางแล้วมาปฏิบัติทำแน่นอนลด ละเลิกความอยากแต่ถ้ามันลดมากเกินไปมันก็หายอยากมันก็ไม่ทําอะไรเลยนะพวกผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่ว่าแค่ไหนพอดีที่ให้พวกเราเนี่ยเดินต่อไปข้างหน้าได้นะอันหนึ่งพวกครูถึงให้พวกเราสื่อออกมาอันที่สองพวกคูยขยายงานใหญ่เลยนะและพวกเราจะได้มาทำงานกับของจริงแล้วพวกคูจะปล่อยผู้คนเข้ามานะ เขากลุ่มเล็กๆในโอกกจู๋เนี่ยตอนนี้เขาเป็นงานระดับชาตินะอยู่ในโปรแกรมสร้างคนเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราโมาจะเห็นแก่ตัวหาแต่ความสุขสนุนตัวไปเที่ยวนู่นไปกินนี่เราจะเวลาที่ไหนมาคิดเรื่องเหล่านี้อันนี้เขาฉลาดเมื่อเขาตั้งตัวได้ปุ๊บเขาก็จะแบ่งปันเห็นไหมให้คนอื่นเดินตามเขาเขายินดีที่จะสอนเขาไม่หวงวิชาเขาไม่มีลิขสิทธิ์เห็นไหมเพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้คนรุ่นหลังนีได้มีโอกาสนะมีแต่สิ่งดีๆนะก็ปุ๊กพี่แก้วมาหรือยังพี่แก้วเสร็จหรือยังอยู่ในห้องนั้นโอเคนะพี่แบมตอนนี้อ่านหนังสือได้ไหมม่ไม่แว่น อะอ่านหนังสือได้เห็นไหมทำไมมันเยอะขนาดนี้โอเคมาลูกอ่านได้มาเป็นประธานนักเรียนอยู่ประจำะพ ก, กูไม่รู้คืออะไรพี่แบมอ่านให้เพื่อนๆฟังอยู่ไหนล่ะไปบิ่งมานะอันนี้ ญาติธรรมส่งข้อมูลมาให้เรานะเดี๋ยวพวกเราฟังพร้อมๆกันครูๆก็ฟังเด็กๆ ก, ก็ฟังนะศรีลาดาเขาชื่อศรีลาดาพุทธไทยสงนะ์เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แบมอ่านให้ฟัง น่าจะอยู่ที่ชยัยภูมิหรือว่าใกล้ๆก้สุรินทร์เนาะ อยากให้ทุกคนได้อ่านความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่เกือบที่เกือบต้องทิ้งความฝันของตัวเองเพราะความยากจนถ้าอ่านจบอยากให้ทุกคนที่ได้อ่านเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นที่คุณมันเริ่มต้นที่ผมและมันเริ่มต้นที่เราทั้งหมดทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หนูชื่อศิรดาพุทธไทยสงนะคะตอนนี้กำลังขึ้นม .6 ที่โรงม .4 ที่โรงเรียนลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยากให้พี่ช่วยอะไรจะให้มาอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวพี่ส่งเรียนให้หนูวางแผนไว้ว่าจะกู้กอยอสเรียนค่ะแต่การดำเนินการช้าม .4 เทอมแรก หนูกลัวไม่มีเงินเรียนค่ะเรียนต่อที่ไหนหนูอยู่กับแม่สองคนค่ะทิ้งทิ้งไม่ไปไม่ได้ต่ออะไรต่อลำปลายมาาค่ะอ๋อ เ, เรียนเรียนต่อต่อลำปลายมาาค่ะสายวิทย์คณิตห้องคิง โอเคโอเคอยากเป็นครูใช่ไหมสิ่งที่หนูกลัวว่าจะไม่มีตอนนี้คือค่ารับส่งค่ารถรับส่งกับค่าไฟค่ะลําพังแม่ได้เงินผู้พิการอยู่แ0 0บาทต่อเดือนค่ะใช่ค่ะหนูอยากเป็นครูมากๆเลยโอเคโอเคค่าใช้จ่ายครั้งนี้เดือนละเท่าไหร่ค่ารับส่งสี่รสบาทค่ะ ค่าไฟหนูไม่ทราบต่อเดือนค่ะปกติ2 5 0ร้อบถึงสามบาทค่ะส่วนค่าข้าวสารค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนต่อวันหนูน่าจะไปทํางานหาเองค่ะปกติครอบครัวเราต้องใช้เงินทั้งหมดเดือนละเท่าไหร่ถ้าเปิดเทอมหนูเอาเงินไปโรงเรียน40บาทต่อวันค่ะค่าข้าวสารกิโลละ33บาทค่ะค่ารถรับส่ง450บาทค่าไป2 5 0ร้อถึงสามร้อ บาค่ะค่าน้ำา 20-35 บาทค่ากับข้าว0ีบาทต่อวันหรือสองวันค่ะแต่ละเดือนไม่แน่ไม่นอนค่ะมากที่สุดเดือนละประมาณเท่าไหร่นอแม่ก็อยากทำงานค่ะแต่แม่แต่มือแม่ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ถนัดไปที่ไหนเขาก็ไม่รับทำงานค่ะประมาณสามพันบาทหรือเปล่าเราส่งรูปบ้านเราให้พี่ดูหน่อยได้ไหม เรามีบัญชีธนาคารไหมมีแต่ของแม่ค่ะเป็นบัญชีผู้พิการแม่พิการอะไรเรอที่มือค่ะหยิบจากของไม่ถนัดอุบัติเหตุตอนแม่เรียนปวชค่ะอ๋อแม่จะขายข้าแกงแม่ก็ยกหม้อคนเดียวไม่ได้หนูเคยบอกว่าจะลาออกมาช่วยแม่ก็ไม่ให้ลาออกมาค่ะดีแล้ว แล้วเราอยากให้พี่ช่วยเดือนละเท่าไหร่สองพัสองห้าสิบลบปถึง 800, แปด้อยนะคะหากล้างกับเงินผู้พิการแม่โอเคโอเคถ้าพี่ช่วยแล้วเราต้องตั้งใจเรียนนะ หลังจากที่หนูเรียนจบได้ทางานอย่างที่ต้องการแล้วหนูจะกลับมาที่บ้านสร้างฝันและช่วยน้องๆคนอื่นๆที่เป็นแบบหนูให้ให้สุดความสามารถหนูจะส่งผลการเรียนให้ดูทุกเทอมค่ะแล้วก็จะแล้วก็จะคะแนนความประพฤติด้วยค่ะก่อนมาช่วยที่นี่ช่วยให้ครอบครัวเราสบายก่อนนะให้แม่ไม่ต้องทํางานหนูเคยบอกแม่แล้วค่ะว่าไม่ให้หนูไม่ให้แม่ทางานแต่คนก็ชอบ มาว่าแม่พี่ช่วยไม่ได้หวังผลอะไรหวังแค่ให้ครอบครัวน้องไม่ลำบากและเราต้องเป็นอย่างที่เราฝันไม่ต้องไปสนใจคำพูดของคนอื่นหรอกขอบพระคุณมากมากนะคะพี่ก็โดนคนด่าว่ามาเยอะหนูจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่โอนช่วยเดือนละ 2,500 บาทนะถ้าพี่มีทุนมากกว่านี้เดี๋ยวพี่จะช่วยมากกว่านี้ มันเยอะไปหรือเปล่าคะหนูเกรงใจค่ะตอนนี้พี่ดูแลเด็กหลายคนกลัวเป็นการรบกวนไม่เยอะหรอกแม่เราจะได้ทำงานน้อยลงจะได้ไม่จะได้มีวันพักวันพาแม่ไปเที่ยวบ้างขอพระคุณมากๆนะคะหนูเกรงใจมากๆเลยค่ะหนูหวังแค่พอมีรถนั่งไปโรงเรียนได้มากมายขนาดนี้หนูคิดว่ามันเยอะไปค่ะพี่จะส่งเงินให้ไม่ได้จะเอา ไม่ได้ให้เอาไปใช้เรียนอย่างเดียวถ้าเงินเหลือก็เอาไปซื้อความสุขให้ตัวเองกับครอบครัวบ้างก็ได้มันอาจจะมากสำหรับหนูแต่มันไม่ได้มากสำหรับพี่รองเอาไปเถอะถ้าเหลือก็เก็บไว้งั้นหนูขอรับแค่ 2,000 บาทพอคะ่ะ 2,500 บาทมันมากเกินไปสำหรับปาก ท, ท้องของหนูกับแม่แค่สองคนจริงๆคะ่ะขอบพระคุณจริงๆคะ่ะโอเค เงินถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนก็ติดต่อมาหาพี่นะพี่ชื่อมิน้นแม่สอนว่าอะไรที่เราพอขยับได้เราก็ต้องขยับค่ะถึงแม้ว่านีวา่วันนี้จะวิ่งไม่ได้ก็ต้องเดินเดินไม่ได้ก็ต้องคลานค่ะขอบคุณมากนะคะหนูเปิดเทอมวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะต้องจ่ายค่าเทอมหรือเปล่าผ่อนผันได้ค่ะแต่ค่าประกันผ่อนผันไม่ได้ค่ะ 200บาทต่อปีแล้วถ้าไม่ผ่อนพันต้องจ่ายเท่าไหร่1850บาทค่ะภาคเรียนอื่นๆจะลดลงเหลือ950หกับ1250หค่ะโอเคเราส่งเลขบัญชีแม่ให้พี่หน่อยนะ นี่เป็นค่าเทอมกับค่าใช้จ่ายเดือนหน้านะที่เหลือก็เก็บไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนนะขอขอบพระคุณมากๆนะคะหนูจะใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดและไม่นําไปใช้ในทางที่ผิดจะตั้งใจเรียนและเห็นคุณค่าของเงินจากตันิวค่ะจ้าซูซูพี่เป็นกำลังใจให้นะหวังว่าจะได้เห็นเราเป็นคุณครูในอนาคตนะแม่ร้องไห้แล้วค่ะ แม่ฝากขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูอินดีจากเดี๋ยวว่างๆพี่จะไปเยี่ยมที่บ้านนะบ้านหนูอยู่ที่บ้านเลขที่13หมู่11หมู่บ้านหนองบัวหลวงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปลายมาาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะว่าแต่เราชื่อเล่นชื่ออะไรนะเบอร์โทรแม่ไม่มีนะคะแม่ไม่มีโทรศัพท์หนูชื่อไข่มุก ค, ค่ะ โอเคจ้าสู้ๆมีปัญหาก็ติดต่อพี่ได้ตลอดนะถือว่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งแล้วกันจ่ายค่าเทอมแล้วหนูจะเอาใบาเสร็จมาให้ดูนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะถือว่าเป็นพ่อเลยค่ะเป็นพ่อพระของหนูแก่ไปนะเป็นพี่พระของหนูก็ได้ค่ะเป็นต้นแบบในชีวิตของหนูเลยถ้าหนูสามารถเดินได้โดวเองแล้วหนูจะช่วยคนอื่นเดินด้วยค่ะดีมาก โตขึ้นแล้วอย่าลืมความรู้สึกนี้นะจะจดจำไปจนหงลมสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายเลยค่ะในวันที่เราสบายแล้วอย่าลืมว่ายังมีเด็กอีกหลายคน ท, ที่อยากมีความรู้สึกแบบไขมุกในวันนี้ค่ะหนูจะสายฝันให้น้องๆเหมือนที่พี่มิ้นสายฝันให้หนูค่ะวันพุธหนูเปิดเทอมหนูจะไปเล่าให้เพื่อนๆแล้วจะบอกให้คุณครูฟังว่า มีผู้ใจดีมาอุปถัมภ์ให้หนูได้เรียนต่อขอบคุณมากๆนะคะหนูดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะหนูจะเอาเกรดสวยๆและพฤติกรรมดีๆมาให้พี่มิ้นค่ะดีมากเลยหนูดีใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะเย่มีข้าวกินแล้วแม่จะได้ยิ้มออกสักทีดีใจด้วยจ้ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอบพระคุณจริงๆ ยินดีจ่ะอย่าลืมว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะถ้ามีปัญหาเรื่องเงินอีกก็รีบบอกพี่นะได้เลยค่ะขอบคุณที่มอบโอกาสให้หนูนะคะหนูอยากกราบเท้าพี่มากเลยค่ะหนูคิดว่าจะไม่ได้เรียนอีกแล้วจ้าดีใจด้วยต้องขอบคุณคนที่เอาเรื่องของเรามาโพสนะไม่งั้นพี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นหนูตามขอบคุณเกือบจะครบทุกคนเลยค่ะพี่พี่ที่เป็นมากกว่า พี่ๆเป็นมากกว่าอเวนเจอร์ในชีวิตหนูพี่ขอเป็นกับตาอเมริกานะพรหน้าตาคล้ายๆกันโอเคค่ะกับตาอเมริกาของหนูหนูจะมาอัปเดตการเรียนการสอบกับคะแนนพฤติกรรมให้พี่มิ้นทุกเดือนเลยนะคะโอเคจ้ะ อ้าตบมือพี่แบมหน่อยนะครับไม่ต้องอายทําดีลูกก็เมื่อเช้าพี่แก้วรายงานอันนี้เป็นคิดที่ญาติธรรมเป็นหมอคนหนึ่งส่งมาให้เราเขามาที่นี่บ่อยๆเขารักศูนย์มากเขาก็เห็นเด็กที่ศูนย์ก็บกเด็กที่ศูนย์เนี่ยอยู่ดีกินดีกว่าเด็กข้างนอกเยอะแยะนะ เผอผูพวกครูก็พาไปเที่ยวต่างประเทศอีกเราเพิ่งไปลาวมาเด็กที่ไม่ได้กลับบ้านสิบสองคนเราเสียผู้ใหญ่สี่คนโยมนักประคุด้วยนะครูดอนขับรถพี่กุ้งขับรถเมดีมไปดูแลพวกครูก็ไปด้วยนะพวกเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยรถโรงเรียนรับไปส่งถึงบ้านเลี้ยงดูเราตลอดดูแลทุกสุทุกอย่างนะ แต่คนที่เขาอยากจะเรียนเขาไม่มีโอกาสเรียนค่ารถก็ไม่มีค่ากินค่าไฟก็ไม่มีเห็นไหมเขากระเสือกกระสนแต่คนที่มีโอกาสแล้วกลับไม่ใช้โอกาสนั้นกับขี้เกียจนะั่นญาติธรรมเนี่เยเขาส่งมาให้อ่านก็แค่อ่านนะลูกเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้ลูกๆตื่นขึ้นสร้างแรงบันดาลใจตัวเองมีโอกาสแล้วทำไมไม่ฉาบเฉยโอกาสเนี่ยพัฒนาตัวเอง นะทีนี้บางทีใกล้เกือกินด่างนะเหมือนอยู่กับพ่อแม่เราของตายจะโมโหก็ได้จะสายอารมณ์ก็ได้ยังไงพ่อแม่ก็ทิ้งฉันไม่ได้นะอยู่ที่ศูนย์เนี่ยพวกเร า, เาครูบาอาจารย์ทั้งพ่อครูแม่ครูทุกคนรักเรายิ่งกว่าลูกเพราะเราเป็นอนาคตของชาติแต่เราบางครั้งอารมณ์ไม่ดีเราจะคิดจะว่าใครก็ว่าด่าก็ดานะเออไม่ทำเนี่ยเหมือน อยู่ๆให้มานั่งเข้าค่ายพวกก็าหายไปสองคนจะอ้างอะไรก็ช่างไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างทั้งหมดก็คือไม่มีสํานึกแล้วอย่างนี้มันจะก้าวหน้าได้อย่างไรเห็นไหมคนที่เขาอยากเรียนเขาไม่มีโอกาสได้เรียนเห็นไหมวันหนึ่งเดือนหนึ่งได้เงินแค่สองพันกว่าบาทเนี่ยโอ้โหเขาเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยค่าใช้จ่ายพวกเราลองไปคํานวณดู ว, ว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่มันไม่เกี่ยวกับเงินตลอดพ ก, กูขอให้พวกเรามีความสุขเห็นไหม วันนั้นคนที่ได้ไปลาวกับเราบอกกนว่าเนี่ยจดไปนะจดไปนะพี่ดอนจ่ายค่าโรงแรมชั้นหนึ่งเท่าไหร่ไปดูน้ําตกที่หนึ่งมันคิดเท่าไหร่ที่นั่นเขาคิดแพงมากทุกอย่างแต่สําหรับศูนย์นี้ไม่มีแพงไม่มีถูกขอให้ลูกๆมีความสุขแล้วมีกําลังใจพัฒนาตัวเองแค่นั้นพอจบแล้วไม่ต้องมาใช้หนี้ที่นี่จบแล้วไม่ต้องไปสนองคําว่า ก, กตัญญูลูกคุณพ่อครูไม่ต้องเอาอะไรมาให้พ่อครูหรอกขอให้เป็นเด็กดีอยู่ในสังคม แค่นั้นก็พอแล้วเนี่ยที่มาอ่านให้ฟังไม่มีอะไรแค่ให้รู้ว่าเมื่อเรามีโอกาสแล้วถ้าเราไม่ตั้งใจใช้โอกาสในพัฒนาตัวเองเนี่ยเราจะอายเด็กๆอีกหลายคนที่เขาไม่มีกำลังที่จะไปเรียนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางตอนนะอีกหลายๆตัวอย่างเลยเนี่ยไม่ได้มีบุญไปเจอคนส่งเงินมาให้สองพันกว่าบาทต่อเดือนเนี่ยนะ พี่หมวยพี่พลอยเนะี่ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่หรู้ไหมเนาะปีหนึ่งแสนสองแต่แต่ละคนน่ยนะเออพวกคุณไม่จะประกาศให้ใครรู้แล้วที่บ้านพี่หมวยอะไรเองเนี่ยต้องดูแลแม่เขาพวกคุดูแลมาจนพี่หมวยจบไม่ครอยเไม่มีโอกาสคนเราทําบุญทําดีไม่ต้องไปแสดงให้ใครรู้หรอกนะเพียงแต่ว่าบางครั้งพูดให้พวกเราดเด็กๆตื่นขึ้นต้องเป็นคนมีกระตันอยู่เนี่ยเราจะได้ไม่ขี้เกียจ เราจะได้รับผิดชอบไม่ใช่อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาอย่างนี้นะแล้วมันจะไปก้าวหน้าได้อย่างไรอันนี้บาปด้วยนะนะแทนที่จะได้บุญกลายเป็นบาปด้วยเห็นไหมไม่เก่งใจเพราะว่าอะไรไม่กระตันอยู่ไม่รู้คุณคนไงไม่มีวินยัยไม่มีหมดเลยเสียหมดเลยไม่ซื่อสัตย์เนี่ยพราครูสังเกตตลอดมาเดินมาพูทธทำไมเหลือผู้ชายนั่งอยู่คนเดียวหายไปไหน เห็นไหมทำไมพวกคูต้องใส่ใจลูกเพราะพวกครูรักพวกเราต้องการอะไรบ้างต้องการให้พวกเรารักตัวเองบ้างไม่ต้องรักพวกครูไม่ต้องไปสนองคุณพวกครูพวกครูไม่ต้องการให้ใครช่วยอะไรงั้นนะถ้าพวกครูต้องการให้คนช่วยพวกครูแสดงพวกครูยังไม่มีส่วนเกินใช่ไหมพวกครูสบายดีแค่ต้องการให้พวกเรารู้จักรักตัวเองบ้างขี้เกียจต้องขยัน นะเพราะมันเป็นหน้าที่อย่าไปพัฒนากิเลสเราอย่าพัฒนาอารมณ์เราให้มันแรงขึ้นทุกวันนะมีเด็กๆกลับบ้านนะเมื่อเช้าพวกกูได้รายงานนะ่ผู้ปกครองเข็นจดหมายมาด้วยนะคนพี่ทำอะไรคนน้องทำอะไรเห็นไห ทำไมไม่ให้พ่อแม่เขียนจดหมายมาบอกลงแล้วโอ้ยเด็กดีมากกลับไปบ้านเนี่ผ้า พ, พับไว้เลยนะแม่มีความสุขเห็นไหมเขาเขียนมาฟ้องเราอะไรนนอันนี้รักพ่อครูไหมทําให้เขาดูถูกศูนย์แสดงว่าไม่ฉีพี่เลี้ยงดูแลเด็กไม่เป็นเห็นมไหมอสอนอยังไงกลับไปมีแต่สิ่งมีแต่เล่นมือถือสามเครื่องสีเครื่องเล่นถึงสว่างอย่างนี้เนาะเอ๊ะ แล้วมันฟังแล้วมันน่าภาคภูมิใจไหมเห็นไหมละ่ะถ้าเรามีความใฝ่ดีมีสำนึกเรากลับไปบ้านต้องทำตัวดีๆไงให้ผู้ปกครองเราโอ้ดีว่าเด็กมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาพัฒนาเห็นหพ่อแม่จะได้เป็นห่วงเห็นไพอกลับไปปื๊บก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กข้างนอกนะแสดงว่าศูนย์ทำงานไม่ได้ผล น่าจะเป็นว่าเราเอาใจเขามากเกินไปหรือเปล่าไ ม, ม่ชีดิบน่าจะเป็นว่าเราเราห่วงเขามากเกินไปไหมเราดูแลเขามากเกินไปไหมเนี่ยเราพราะคูสารวจนะเราไม่กลัวเหนื่อยเราไม่กลัวเสียสตังเรายินดีทำบุญอยู่แล้วแต่ถ้าทำบุญแล้วมันเกิดมรรคผลกับลูกหลานเนี่ยเป็นคนมีสำนึกเป็นคนรับผิดชอบ อย่างนั้นเหนื่อยเท่าไหร่มันก็หายหมดอันนี้น่ามีโนต้ตมาจากทางบ้านตามมาด้วยเห็นไมมารายงานว่าลูกหลานเรากลับบ้านทำอะไรบ้างเนาะเมื่อคืนพอ ก, กูถามเบ่งไปซิ่งไหมแต่เมื่อเช้าเดินไปแต่เช้าปุ๊บก็ไปที่ห้องพักก็ได้ข่าวว่า คุณแม่ก็เขียนโน้ตมาด้วยไงมารายงานว่าทำอะไราบ้างบางครั้งขโมยทำมารลยแรงเนี่ยจิตพระกูไม่ได้แอบฟังนะบางทีมันก็ได้ยินเองเน ะ, ะนั่นนะลูกมีโอกาสแล้วทำไมไม่พัฒนาตัวเองการฝึกตื่นเช้าการทำงานส่วนรวมเนี่ยนั่นแหละคือการศึกษา ไม่ใช่ว่าอุ้ยถูกบังคับให้ทำอุ้ยเหนื่อยอุ้ยเสียเปรียบ น, นั้นคุณเสียเปรียบอะไรคุณได้ทำบุญคุณมีแต่ได้แล้วคุณก็ฝึกให้ตัวเองเข้มแข็งให้ถูกตัวเองเป็นคนมีเมตตามีจิตสาธารณะก็ส่วนรวมนั่นไม่เรียกว่าเสียนั้นได้เต็มเต็มเลยแล้วต่อไปชีวิตเราเจออุปสรรคเราก็ไม่ท้อถอยไงเพราะเราฝึกตัวเองมาแล้วเออ อันนี้มันจะอยากได้อยากได้บางทีไปแย่งแฟนกันไปตีกันมันเปลี่ยนยุคนะสมัยก่อนผู้ชายมันชกต่อยกันมันแย่งผู้หญิงกันตอนนี้ผู้หญิงชกต่อยกันแย่งผู้ยายกันนะเพราะอยากได้ไงพอได้มาเขาเบื่อเร า, เาก็ทิ้งทีนี้ก็ฆ่าตัวตายนั่นแหละมันเป็นผลกรรมนะอันนี้เหมือนกันมาถึงครูบ้างเมื่อเช้าคูดาเราเป็นยังไงเพราะกูเตือนมากี่ปีแล้วนะนะั่นอะ ทุกคนก็มีความอยากแต่ไม่ใช่อยากจนทำงานเกินเลยก็ไปฉีดยาใส่ปุ๋ยอะไรตรงนั้นแหละนี่ไอ้โรคที่หมอรักหมอไปตรวจแล้วไม่รู้อะไรนั่นแหละไอ้สารตกค้างเหล่านี้ทั้งนั้นแหละก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆนี่ทำไมไม่มาปฏิบัติคนเขาแบกหามมาเป็นไข้เขาก็มาที่นี่ทำให้ผมคุมกันมันเกิดแต่เราใกล้เกลือกินด่างเพราะเราไม่ศรัทธาไงเนี่ย ตอนนี้ขยันขยันหาเงินตอนนี้บางทียังไม่ได้ใช้เงินเลยนะเอาเงินมารักษาโรคล่ะนิดเดียวก็ไปฉีดยาฉีดยาฉีดยาจากเป็นโรคอะไรกลายเป็นว่ากลายเป็นโรคไตเพราะว่าไตมันทางานหนักเพราะยาครูดำพูดเองนะจากโรคหนึ่งรักษาไปกลายเป็นสามโรคเมื่อเช้าเพิ่มอีกโรคหนึ่งไม่รู้โรคอะไรเราไม่ดูแลตัวเองนะทเพื่อชีวิต ยาอะไรกันนักหนานะไอการที่เราอยากได้ดยพระารทำเกษตรใส่ปุ๋ยเคมีไปฉีดยาเนี่ยมันเป็นบาปนะหนึ่งเราฆ่ า, มาแมลงสองเราก็เอาไปคนให้กินเนี่ยให้เขาตายผ่อนสงเนี่ยมันเป็นบาปและเราเองก็เป็นกรรมที่เราก็ไปสูตรสารพิษตรงนั้นเข้ามายิ่งอยากยิ่งไม่ได้ขยันแบบงงๆไม่สำเร็จระวังสุขภาพหน่อยหนึ่ง พอพาทาอะไรที่มันแข็งแรงไม่ทำเนี่ยพาวิ่งเนี่ยโอ๊ยเหนื่อยๆนืยนยไม่เอาเอาเหนื่อยแล้วมันก็แข็งแรงไงเห็นไหมไม่เอานะแต่ไปขุดดินไปเพาะปลูกมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแต่ทำเกินไปนะเออเด็กดื่ น, นก็ทำเพราะอยากได้แล้วก็ไปฉีดยาลงทุนไปแล้วแมลงเข้ามาถ้าไม่ฉีดฆ่ามันตายเราก็ขาดทุนก็ไปเพิ่มทุนอีกเพิ่มต้นทุนอีก แล้วมันเจ้าที่ไหนมากําไรอันนี้เนื่องจากเป็นครอบครัวเดียวกันนะพ่อครูก็ชี้แนะคนไม่รู้จักกันเข้ามาตั้งแต่ทั่วโลกหลายจังหวัดหลายประเทศเขายังมาที่นี่นะมาฟังพ่อ ก, กูให้ข้อคิดอันนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันพูดไม่รู้กี่ปีกี่กี่นั่นแล้วเนี่ยเข ก, ก็ฟังจะเหมือนไม่ได้ยิน ไอ้ที่ควรทําไม่ควรทําแต่ไปสนองกิเลสน่ะไกลแค่ไหนฉันก็ไปมันอร่อยมันสนุกไงมันสนุกแลกด้วยความเหนื่อยมากขึ้นใช่ไหมมันทํางานเหนื่อยมากก็นอนพักผ่อนนั่นแหละให้กําไรชีวิตอันนั้นไปไกลๆไปเที่ยวนั่นกําไรกิเลสนะมันอร่อยก็กิเลสมันสนุกก็กิเลงไงแล้วสุดท้ายก็เด้ยงเดี๋ยวร่างกายโทรมนี่คนไม่ได้รักตัวเองหรอกไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวด้วย เรียกว่าคนโง่ก็ไม่ผิดเพราะทำร้ายตัวเองไงทำกเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาขายแต่เราไม่ปฏิเสธตอนนี้พ่อกูเริ่มมานะพ่อกูลดเพดานลงมา30สิปีลดๆๆๆลดมาอยู่ตั้งแต่ศูนย์เนี่ยไฟฟ้าก็ไม่มีเนื่องจากต้องการให้เขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยอุ้ยมันหนาวอาบน้าเย็นไม่ได้ กลัว เ, เขาไม่มากลัวเขาไม่ได้ปฏิบัติเอายอมยอมในสิ่งที่เรา น, นติดเครื่องน้าอุ่นให้นะตอนนี้เริ่มร้อนขึ้นทำเรียกร้องแอร์ก็เริ่มมาแล้วนะนี่ติดแอร์ให้คุณครูเข้ามาติดแอร์ให้ค่ายทำติดแอร์ให้แต่วพวกเรานอนอยู่ที่นี่ไม่มีแอร์เพื่อให้ไงลดจนต่ำสุดละตอนนี้ต่ำหมดแล้วไม่มีอะไรต่ำกว่านี้แล้วนะพวกเราซึ้หมด มาอยู่กันแบบปกติธรรมดาถ้าพรอกูจะสร้างภาพเนี่ยเด้อศูนย์นี้ไม่ต้องเมียเรามาขังกันสร้างศรัทธาไม่เพราะกูปล่อยให้เลี้ยงสัตว์ด้วยบางคนฝึกจิตเข้งแข่งเอ๊ะศูนย์ปฏิบัติธรรมไปยุ่งอะไรกับสัตว์คนที่พูดนี่ถามว่าคุณกินเจไหมไม่ฉันก็กินเนื้อสัตว์อยู่ เราสอนให้หมีแพนด้าเนี่ยมันกินเนื้อสัตว์ไหมมันไม่กินเราสอนให้หมีขั้วโลกเหนือมันกินไม่ไผ่ไหมมันไม่กินเมื่อกินป่ากินอะไรๆเนี่ยที่บอกว่าเราสอนกเกษตรกรให้มันากินเจกินมังชูลัดไหมให้มาปฏิบัติทํำไหมเนี่ยพูดจนตายเขาก็ไม่มาไงการให้แล้วอยียวตัวเองเป็นที่ตั้งเราต้องว่าให้แล้วอะไรใช้มีประโยชน์สําหรับเขาเพราะครูยอมตอนนี้ยอมสุดๆนะแล้วนะตอนนี้ ไม่ชีมายวันนั้นเสียนรายงานมาน่าจะให้เด็กฝึกการซื้อขายด้วย<ม>การใช้เงินด้วย<ม>เห็นไหมเ<อ>พรากูอ่านหมดเลยนะแล้วก็ฝึกไงวันดีคนดีบอกไม่ดมีเดี๋ยวจัดมัธยมพรุ่งนี้ไปกินข้าวกับพ่อกเูเห็นไหมไปไปเซลวเซ็นท่านกันนั่นแหละสอนให้เรารู้จักใช้เงิน เมื่อรู้จักใช้แล้วต่อไปนี้ต้องช่วยพ่อครูหาเงินเดือนตอนนี้พ่อกูจะหาเงินแล้วนะสาสิปีไม่หาเงินละต่อไปเมื่ช่วยพ่อกูปลูกผักแปรรูปอาหารนะช่วยพี่หนูหลิงขายกาแฟต้องฝึกค้าขายลนะเนี่ยต่อไปยิ่งเรียนปวชเนี่ยใครไม่อยากไปข้างนอกปีครึ่งมาฝึกงานที่นี่ให้เบีย้ยเลี้ยงให้เงินเดือนก็มาฝึกไง คือดิพกูดูแล้วว่าสู้ความจริงเพราะว่าญาติทําเร็วๆนี้ผู้ใหญ่เขาค้าขายอยู่เขากเกษียณแล้วเขามาที่นี่เขาห่วงพวกูพกูตั้งเจ็ดสบเแล้วถ้าต่อไปนี้ศูนย์พกไม่มีศูนย์พกูจะอยู่ยังไงไอ้ไม่ยังไงศูนย์นี่จะอยู่ยังไงนะพกูพระพุทธเจ้าจากไปแล้วศาสนามันก็ยังอยู่กลัวอะไรกันนักหนาพกูก็อยู่มาสาสิบ เปีแล้วที่นี่ไม่เห็นกลัวอะไรเลยคนข้างนอกมาก็กลัวอุย้ยค่าใช้จ่ายเต็มไม่หมดเลยเนี่ยมีแต่ห่วงเรื่องค่ า, ชาใช้จ่ายเพราะกูอย่าห่วงเนอะเห็นไหมเขาก็ห่วงเพราะกูกําลังทําให้ศูนย์เนี่ยพึ่งตนเองได้เรามีสามศูนย์ศูนย์สมองนะวะครูคีกับพวกเราเนี่ยช่วยกันทําอยู่เราต้องพัฒนาความรู้ศูนย์จิตใจนะ พวกพี่แก้วพี่ปุ๊กนาวาดแม่ดีมพวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลอยู่ญาติธรรมมาจากทุกประเทศทุกมามาม า, มาปฏิบัติเอาทุกออกน้องดอนมาจากอเมริกามาเอาหนูหลิงมาด้วยดีแล้วที่นี่พวกกูไม่กลัวคนเยอะคนก็เอาป่าเข้ามาด้วยต้องกินไม่กลัวแต่เรามีสองมือมือหนึ่งก็ช่วยกันทําให้ตัวเองกินมือหนึ่งก็ทําให้คนอื่นกินต้องช่วยกันทาไม่กลัวคนเยอะ เรากำลังทำให้ศูนย์เนี่ยพึ่งตนเองได้ที่ดินตรงนี้เนี่ยมันมีเยอะอยู่บิแต่หินก็ปลูกเท่าที่ปลูกได้นะพ่ปุกกับคณะพระเขาปลูกเมล่อนนะเมื่อสองสามเดือนก่อนมันเป็นหน้าอะไรหน้าหนาวไงโอ้เมล่อนสวยมากอนะใช้ขี้ปลาอย่างเดียวเนี่ยหวานรสชาติอร่อยกว่าที่เขาปลูกอีกเพราะมัน มันมันปุ๋ยอินอรียไงและลูกอะไรนะที่มันบัตเตอร์นัทใช่ไหมเออมันตั้งชื่ออะไรไม่รู้บัตเตอร์นัทเพราะกูมิตรลืมมันมันก็คือไอ้ฟักทองฝรั่งนั่แหละเห็นไ้มปลูกในโรงเรือนเดียวกันมันก็สว ย, ยงไงเอาทีนี้เตรียมเตรียมเตรียมปุ๊บก็ปลูกใหม่ปุ๊บอา่าเมษามันร้อนเออ ที่เขาบอกสมัยโบราณหักร้อนตับแตกเนียมันจะตับแตกแล้วตรงนี้นะเห็นไหมแต่และาดูการไม่เหมือนกันแล้วอ่าไอ้บัตเตอร์นัทเนี่ยเหงาเลย <c oughs> พวกกูบอกปุ๊บเอาไปให้เม่ดีมนี่ปลูกปลูกนอกโรงเรือนปลูกเราลองดูลองดูเห็นไหมเออไปปลูกถั่วฝักยาวอยู่ในโรงเรือนเพราะชาวบ้านเขาฉีดยาใช่หไหมแต่ทีนี้แต่และฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเราก็เรียนรู้กับมันเห็นไหมแล้วทําไมทําไมโรงเรือน เขาต้องฉีดพ่นละอองเห็นไหมทีนี้เราก็ลองปลูกวัตเทอร์นัทลองไม่มีมุ้งดูว่ า, มาแมลงทาลายอะไรมันไหมแต่ต้องปลูกบัตเทอร์นัทนี่เนื้อมันอร่อยมากกว่าฟักทองบ้านเราอีกมาทําสุปทําอะไรอร่อยมากทําขนมก็ได้ทำของหวานก็ได้ทําแกงก็ได้นะแต่เราต้องเรียนรู้ต่อไปหน้าร้อนนี่เราต้องเตรียมอะไรบ้างพอยต้นที่มันโตไม่ได้มันเนา่าดึงขึ้นมาลากเน่าหมดเพราะอะไรรู้ไหม น้ำที่ไปเลี้ยงมันเนี่ยมันร้อนยังกับไม่ต้องใช้เครื่องต้มน้ำร้อนเลย <c oughs> ใช่ไหมแล้วตอนนี้เราเอาเครื่องสเปรย์มาฉีดนะหลังจากโอเคได้ผลแล้วชุดนี้ห้าพันกว่าบาทร้อยเมตรนะบอกดอนเขาสั่งออนไลน์นะสั่งมาอีกสองชุดแล้วตอนเมษาพฤษภาเนี่ยเนาะเอาน้ำแข็งมาใส่ในถังนั้นแล้วก็เปิดแอร์ในนี้แค่วันหนึ่งสองชั่วโมง อะไรที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้โดยเราลงทุนนิดหนึ่งนะเราเราก็ทำนะอันนี้ลองตรงนี้เพื่อพอ ก, กูจะปรับตัวนี้ไปใช้ยอยู่ในโรงเรือนปลูกเพราะว่าโรงเรือนเขากําลังปลูกเนี่ยนะปลูกทีหนึ่งได้ผักสลัดผักคะน้ า, าผักกวงตงุ้งนี่เป็นหมื่นต้นต่อไปเด็กๆมีงานทํำลูกนะไปหยอดมเมล็ดเหน็บนะดูว่าวันหนึ่งตัวเองหยอดได้กี่เม็ดนะนะแล้วเราก็ปลูก ปลูกแบบหลายประเภทให้ทุกคนมาเรียนรู้นะไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรนะเมื่ออากาศร้อนทำํำยังไงช่วยมันเห็นไหมเมื่อมันหนาวทำํำยังไงก็ช่วยมันเห็นไหมมันมีมแมลงทำํำยังไงป้องกันมันนะล่นะเหมือนเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงแล้วก็ไม่ให้อาหารมันมันก็ตายนะก็เป็นการเรียนรู้ด้วยกันแล้วทุกคนต้องเราต้องสร้างงานเพราะต่อไปเด็กบวชถ้าเขาไม่อยากไปที่อื่น ที่นี่เราก็รับเข้ามาเรียนรู้ได้แต่เราก็ต้องมีเบีย้ยเลี้ยงให้เขาเมื่อมีรายจ่ายเราต้องมีรายรับอ่ารายรับนั้นเมื่อเราปลูกเยอะแล้วนี่เราก็สามารถรับออเดอร์ผักอินรีอะไรอินรีมีเท่าไหร่เขาก็เอาหมดอย่าห่วงนะสำคัญว่ากล้าทำไหมนะี่เราลองมาหมดแล้วมันโอเคแต่ตอนนี้มาเจอหน้าร้อนสุดๆเลยดูว่าเราจะผ่านมันได้ไหมเนี่ยยกตัวอย่างนะทุกคนเรียนรู้นะ เด็กๆตื่นขึ้นลูกฟังพ่อครูอดเปรี้ยวกินหวานคำนี้ฟังไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะพอตะบากแตกนี่ลืมหมดเลยฉันไม่อดฉันจะเอาเดี๋ยวนี้เปรี้ยวก็ช่างมันนะกูจะออกไปกูจะออกไปออกไปฮอออกไปไหนล่ะคนนั้นไปไหนล่ะผมยาวๆนะะั่งออออกไปแล้วเป็นยังไงลูกมา เราก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วเราถึงเข้ามาไงพอมันเบื่อปุ๊ก็ลืมว่าเราเข้ามาทาไมก็ออกไปข้างนอกที่เราเบื่อมันอยู่แล้วเห็นมเบือเบื่ออยากเบื่อเบอยากอยาแล้วชีวิตเรามันจะเเดินไปได้ยังไงนะไม่เอาลูกหนึ่งอดทนเอาหมยพร้อมกันก่อนจะไปกินข้าวหนึ่งไม่ได้ยินสองสห ห<โ>กเจ็ ด, ด, ดอ้าวให้รางวัลไปกินข้าวได้